ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มระปฏัญาณในวันนี้ก็คงพูดถึงวิริยะบา ร, รมีต่อไปคือนายะต่างต่างนะฮะต้องการจะให้ท่านสาธุชนได้มองในแง่มุมรือมันกว้างขวางออกไปเพราะว่าทั้งหมดที่จริงก็คืออยู่ใต้ร่มระปฏัญาณทั้งนั้นวันก่อนได้ประลบถึงอุยยามโมเป็นความเพียรพยายามในที่สี่สถาน หราจะพบว่าบางครั้งนี่เขาเรียกว่าประธานะที่เราคุ้นๆส่วนใหญ่นี่ท่านจะเรียกว่าประธานะหรือประธานได้แก่ความเพียรในที่สีสถานคือถ้าเรากล่าวโดยสรุปก็คือระดับแรกก็ได้แก่พวกอินทสียสังวรเราอย่าลืมมาพกความเพียรเป็นจิตสิกขานะฮะความเพียรเนี่ยเป็นระดับจิตสิกขากินเสียสังวรสําหรับพระแล้วจะหนักไปทางศีล แต่ถ้าโยมเนี่ยจะหนักไปทางสมาธิเพราะก็เพียรพยายามในการป้องกันบาปในการละบาปในการเจริญกุศลแต่ว่าตรงนี้ท่านเน้นไปที่โลภะตุศัตด์โมหะกุศลก็เน้นไปที่ศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรนะก็ใช้คำอะไรก็ต้องเข้าใจว่าโดยที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันแล้วการรักษาจิตจะอยู่กับ น, นามรูป ไม่ใช่ว่าอยู่กับนามารูปแล้วเพิ่มกิเลสนนะในที่นี้หมายความมาให้สงบอยู่กับนามารูประลึกรู้อยู่กับนามารูปจนจิตใจนั้นสามารถระลึกรู้เท่าทันถึงความเป็นจริงตามสิ่งที่เราสัมผัสในขณะนั้นคือยังนึกเมื่อวัอนที่ยนะี่สิบเก้าน่ะจริงจริงก็ตอนเช้าไปดับธาตุศพพระอาจารย์ เจ้าวาดวัดระชาธิวาตก็ไม่เคยเห็นพิธีหลวงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการดับทาดพิธีหลวงเนี่ยก็ไปถึงปรากฏว่าเขาเอากระดูกไปวางไว้แกล้ๆกับเป็นทำเป็นลูกคนมีหัวมีมือมีเท้าสองเท้า แล้วก็ให้พระรถนําสงแล้วก็โปรยอะไรเข้าดอกดอกไม้อะไรเนี่ยก็รักษาการเจ้าวาดเนี่ยก็ทําทก่อนต่อมาก็ถึงเจ้าคุณยานวโรดรมท่านบอกว่าเหลือเท่าเนี้นะคือมามองมองมันหดหูมันรู้สึกมันหดหัวอชีวิตเราเนี่ยมันก็มีเท่านี้เองนะนะ ทำไมมันมากมากอยากใหญ่กันหนักนักหนาแย่งชิงใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตกันเมื่อก่อนก็นั่งนึกว่าเออมันก็ยังไงก็เล็กกว่าโลงไนงะแต่นี้พอเอาข้อจริงเนี่ยมันนิดเดียวจริงอตาตมาเป็นรถคนคนองค์ที่สี่ต่อมาจะคป็นพระธรรมราชาต่อมาก็อตาตมาก็เห็นว่าสามองค์น่าจะพอเดี๋ยวก็เรียกกข้ไปอีกอะไรก็ไปรถพอรถเนี่ยมั น, มนรู้สึกคนบุบยังไงชอบคน จะมายืนดูกระดูกรึไงก็นึกว่าเออคนเราถ้าหกคิดพวกนี้สักพังดูมันบ่อยๆนึกบ่อยๆเนะมันจะยืดอยังแข็งดีอะไรกันเราเกิดอะไรมามรณาลอะไรไปสิ่งที่น่าจะทําเนี่ยมันไม่น่าจะคิดว่าเราจะต้องเป็นอะไรแต่ว่าควรจะคิดว่าเราจะทําอะไร แล้วก็ตรงกระหลักตรงนี้อุยยามูตรงเนี้ยที่ท่านบอกว่าให้มีเพียรพยายามรักษาใจเรานี่ยให้อยู่กับนามรูปหมายความระลึกรู้เท่าทันต่อนามรูปที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆเนแหลแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปในงานศกราจารย์เนี่ย คือคงจะคือตั้งคนดังก็ไม่เคยไม่เป็นกันนะนะแต่พออีกไม่กี่วันจะบปราชะทานเพลิงศพแล้วก็ปรากฏว่าโกดที่จะใส่อัฐิยังไม่มีแล้วก็ไอะไรก็คล้ายๆกันโลเน่ะที่จะใส่ก็ยังไม่มีแล้วนั่งประชุมกันมาก็รับอาสาจะหาเองโดยคิดว่าจะต้องให้ เขาแกะสลักแกะแบบเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านของท่านแต่ว่าเวลากระชั้นมากมันก็เป็นบุญเลยเทุาคนเนี่ยก็มาถึงก็สอบถามลูกศิษย์ว่าอยากจะได้ออย่างเนี้ยแบบเจดีแบบเนี้ยที่ไหนผมมีมา้างเขาก็บอกว่าพระที่ลูกศิษย์เนี่ยเขาไปสั่งทามาอันหนึ่งแล้วก็เพิ่งส่งมายัางไม่ได้ใช้ เลยก็ขอก็ก่อนนะฮะก็ให้ปัจจัยก็ไปทาไํามาใหม่แล้วเขพอมาถึงไอ้ไอ้โหลที่ว่าเนี่ยมันก็มีคนเคยถวายคล้ายๆกับหม้อ น, น้ํามนต์ที่หินอ่อนทําอย่างดีถวายไว้แล้วก็มองว่าใส่ไหวหรือเปล่าพอหรือเปล่าก็เป็นห่วงอีกเวลาเอาไปให้เนี่ยเอาไปตั้งสองอย่างแต่น้าที่สํานักราชวังก็บอกอันเดียวก็พอแล้วเราก็ น, นึกว่ามันจะพอเลย ปรากฏว่าจริงๆนะพอเขารวบผ้าห่อรวบข้าวเนี่ยมันเหลือสักกำนั่นเองสักกรอบอะ่ะคือกระดูกเราีเหลือสักกรอบตรงแถวนั้นเองพอใส่แล้วมันก็เหลือชิ่มก็เหลือปรากฏว่าตอนใส่โลงโลงก็เหลืออ้าพอตอนใส่โกดโกดก็เหลืออีกตอนใส่โถโถก็เหลืออีกแสดงว่าเราก็เล็กนิดเดียวเอ๊ะทําไมมันอัฐบรรยายกันหักหนาอะไรเลย หดูไปน่าจะใหญ่โตกันมากมายอย่างนั้นน่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เล็กนิดเดียวกลับแล้วก็น้ําสู่น้ําไฟสู่ไฟลมสู่ลมอากาศสู่อากาศคําถามที่น่าตอบแล้วก็น่าสแสวงหาคําตอบก็คือคําถามที่ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะสุกสนุกชนไหนเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอ า, เ อ, าอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเมื่อเจ้ามา พระนารูปที่ว่าเนี่ยทุกเรื่องหนึ่งเนี่ยม้ว่าเรื่องอะไรเราสามารถจะเรียนเป็นครูได้ตลอดแต่ไม่ได้หมายความว่าพอใครเขาหกล้มพลั้งพลาดไปกระทือบซ้ำเขาหรือใครใครก็ได้ดีแล้วริษยาเขาแต่ก็ทําใจว่าเมื่อเขาพลั้งพลาดเรานอกวิสัยจะแก้ไขก็ขใช้เป็นบทเรียนแล้วทาใจสงบด้วยเบคขา คนก็จะเดินก้าวหน้าประสบความสาเร็จเราก็อนุโมทนาเขาไม่ได้ริษยาคนที่ประสบความพั้งพลาดอกล้มเราก็ไม่ไปกระทืบซ้ำเขาแต่ละอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะช่วยกระตุ้นเตือนให้ได้ธรรมะแต่ละคราวแต่ว่าการมองเรื่องเหล่านี้มันก็ทาให้นึกถึงสมัยที่พระเจ้าส่ง ปฏิพานนะครับเรจว่าคนมองกันสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยร้องโหมร้องไห้กันเลยเสียกเสียใจมากที่พระพุทธเจ้าต้องดับไปต้องนิพพานไปบุญเพลรำพันพิริพิไรรำพันพระพุทธเจ้านิพพานรวด น, นัดรวนเร็วเกินไปก็ที่จริงแปดสิบแล้วนะฮะัก็พูดถึงแปดสิบปนก่อน ก็ประรดถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งก็ถามอายุท่านเก้าสิบเอ็ดแล้วก็พูดถึงหลงพ่อยองค์ 1, 96, 96, 96, หนึ่งรู้สึกอายเก้าสิบหกเก้าสิบปดเนี่ยนะท่านบอกว่าอยู่นานไปก็ดูแล้วก็ทัางกระปรงตกดีอย่างนงี้ยคืนี่คือคือจะเห็นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันแตกดับนั่นแหละแต่ว่าท่าทีการมองชีวิตเรามองอยังไงเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่า คนขนาดพระพุทธเจ้านิพพานเน่ยมีพระกลุ่มหนึ่งเกิดดีใจเกิดดีใจว่าเออพระพุทธเจ้าที่พ่านได้ก็ดีเนาะต่อไปในท่านเมื่อก่อในท่านคอยจําจี้จำชัยอย่างนั้นควรแก่เธอทั้งหลายอย่างนี้ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายอย่างนี้ควรทาอย่างนี้ไม่ควรตามโยก็ลําบากต่อไปในนึกจะทําอะไรก็ทําไม่ทําอะไรก็ไม่ทําคนคิดอย่างนี้ก็มีนะฮะ แต่คนที่เข้าถึงธรรมะเขาเรียกว่าเกิดธรรมสังเวชคือชัดชัดเจนในธรรมะมากยิ่งขึ้น แ, แล้วภาพเราเนี้ยทำยังไงมันเกิดความชัดเจนได้นึกมาเรื่อยๆก็นึกมาเรื่อยๆเราเห็นว่าก็กลายเป็นครูนํารูปตรูเนี้มันกลายเป็นครูเป็นเครื่องบรรเทาความกําหนัดความขัดเคลื่องความรุ่มหลงความบวมเมาซึ่งก็หมายความว่าไงหมายความหมายลวดลายโลภภาษาโมหะมันไม่ฟูขึ้นมากเกินไป แล้วเขาพลังกองศีลสมาธิปัญญามก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นท่านจึงเรียกว่าอุยาาโมอีกอย่างหนึ่งก็คือวยามะวยาโมที่จริงก็สึกคือสมาวยาโมนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันไปอธิบายซ้ำกันอย่างนี้ท่านก็อธิบายอีกแนวหนึ่งบอกว่าก็เพียนพยายามกาหนดนามรูปตามที่มันผ่านมาทางประชาสัมผัสก็จะเห็นว่าปัญหาที่ยุ่งเนี่ย ปัญหาที่เราไปปรุงคิดคิดปรุงมันเห็นว่าเสียงเสียงดังสมมุติว่เสียงหนูหูเนี่ยที่จริงมันยุ่งเราไปยุ่งกับมันเองอะ่ะ ไ, ไม่ใช่มันยุ่งกเราหรอกหมาเห่าหมาฟัดกันเอาคนทะเลาะกันมีรถเสียงดังไม่ได้เสียงดังก็เรื่องของเขาก็ธรรมดานะหมาไม่เห่ามันก็ไม่ใช่หมาคนไม่พูดมันก็ไม่ใช่คนอะ่ะ เ, เครื่องยนต์ไม่ดังก็ไม่ใช่เครื่องยนต์ มันก็ธรรมดาของมันนะถ้าเราเข้าถึงธรรมดาฝนตกแดดออกลมพัดอะไรก็เรื่องของเขาแต่พอดีเราไปมีความรู้สึกคือรมีความรู้สึกของเราเองไม่ใช่ว่าเขาเป็นตัวผลักดันในเกิดความรู้สึกอะไรหรอกเพราระงั้นวิธีการมองแนวแนวพระเจ้าสอนเนี่ยคือมองในแนวที่ว่ารู้เท่าทันแล้วก็ทําได้ระดับไหนล่ะถ้าเอาระดับที่เรียกว่า มันเห็นท่าไม่ดีคือจะเพิ่มเรื่องไม่ดีขึ้นก็ตัดใจซะบ้างแบบพวกเก่าที่เห็นว่ามันเป็นอันตรายแล้วก็เก็บเท้าเก็บกูเก็บหัวเก็บทางเข้ากระดองซะเลยคือไม่ต้องไปรับรู้อะไรมันอีกแนวหนึ่งเนี่ยมันสัมผัสมาแล้วก็ถือแต่ว่าศักดิ์แต่ว่ารู้ศักดิ์แต่ว่าเสียงสักดิ์แต่ว่ากลิ่นสักดิ์แต่ว่ารสศักดิ์แต่ว่าสัมผัสสักดิ์แต่ว่าอารมณ์ ท่านสาวชนลองสังเกตอะที่เราสักแต่ว่าเนี่ยเราทําได้เยอะนะะในแต่ละวันเนี่ยจริงมันเยอะเลยคือที่เราไม่สนใจนะเห็นไหมฮโลภ้าก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดกิเลสไม่บวกไม่ลดเนี่ยแต่ว่าก็ทัตธรรมะมันไม่เกิดด้วยตอนนี้เราก็เอาธรรมะเข้าไปเสีย<___'>คือก็าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นแล้วก็ชัดเจนอย่างเช่นคําดาอย่างเงี้ยคำดามันก็ชัดเจนเนาะ มันก็เป็นคำเฉยๆมันออกจากปากก็สําราค์ก็มาจากปากเฉยๆแล้วของมาสํารากหรือสํารอกเนี่ยเรื่องอะไรเราจะเอาไปรับปะเราก็ไม่รับมันก็จบก็กลายเป็นของเขาแสดงเองอันนี้ก็คือแนวเขาเรียกว่าสํารวมระวังในด้านสิ่งที่มันผ่านมาทางทวารทั้งหลายตลอดถึงอิริยบถ ท, ทั้งหลายนี่มีสติระลึกรู้อิริยบทอันนี้ก็คือแนวของ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เขาเรียกว่าสัมปจัญญปะปปัตรู้รูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะฮะก็รู้อยู่ทุกอยาบทตั้งหลายก็แล้วแต่ใครจะทำอย่างไงคือสรุปมาให้มันมีที่เกาะคือสติมันมีที่เกาะเพราะวาความเพียรเนี่ยเปนตัวขับเคลื่อนมันตัวผลักดันให้เกิดความขัดเคลื่อนตรงนี้เราเพียรจริงจมันเพียรใช้สตินะเพียรใช้สติเพียรใช้สัมปชัญจะเพียรใช้ปันอ่าเพียรใช้ ความอดทนตลอดถึงการวิเคราะห์วิจัยจนสติไม่เผลอคือระลึกรู้อยู่กับ น, นามรูปเนี่ยแนวสัมปชัญญะปปะพระที่ก็ใช้ปฏิบัติกันมากแต่วันก่อนไปได้หนังสืองานศพหลวงพ่อเจ้าคุณโสพลสวาธิที่ขุดมาเนี่ยรู้สึกว่าท่านเป็นอาจารย์กรรมาฐานก็ว่าไว้เยอะคือทำยังไงว่าให้เผลอน้อยหน่อยเพราะว่า อายุยึงมากเนี่ยปัญหาสติจะเป็นปนัญหาค่อนข้างใหญ่ก็ฝึกใช้สติบ่อยๆแล้วลึกรู้เท่าทันไว้บ่อยๆประการต่อไปอุตสาโหข้ออุสาหะนั่นเองแหละอุสาหะก็คือหมายความว่ามีความมุ่งมั่นมีความพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างจริงอจัง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามตัวนี้ที่จริงใช้ได้หมดนฮะใช้แม้แต่อุตสาหะในการอ่านในการทํางานในการทํานาทําสวนการทดน้ําการอะไรต่างๆการถากไม้เนี่ยมันต้องมีอุตสาหะตรงนั้นแล้มีคำํคำอีกคําหนึ่งที่เรียกว่าเราก็ไม่เคยคุค้นเหมือนกันโือตามปกติแล้วจะไม่ค่อยนํามาพูดท่านใช้คําว่าอุศโสลโหคือเพียรพยายามที่ยกตนขึ้นจากหลม คำว่าลมเนี่ยก็แล้วแต่ตรงไหนจะหมายถึงตรงไหนนะครลมก็เหมือนกับโคลนตมะนะคะโคลนตมคนที่ตกลงไปในลมในโคลนในตมเนี่ยมันจะต้องพยายามขึ้นมาให้ได้เพราะเราตกลงไปเองทีงนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีลมที่เราตกลงไปเนี่ยก็ถือว่าลมใหญ่ในสีลมใหญ่เลยภาษาบาลีเรียกชื่อเขาเยอะเลยเรียกโอคะแปลว่าคลองน้ํากิเลสดุจเจ้าค้องน้ําซึ่งพัดหมุนคนไป บางทีก็เรียกว่าโยคะแปลว่าประกอบหรือขังสัตว์ไว้ในในความทุกข์ในกิเลสในสังสาระวัตรนะฮะก็แล้วแต่ในสังสารวัฏแล้วก็เรียกว่ากันถะเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นเครื่องร้อยรัดจิตของคนเอาไว้เราจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยมันมันมีลักษณะเป็นนามธรรมาแต่ลูกมัดปลูกมัดระึงจิตใจของบุคคลเอาไว้ ก็ทำให้โหยหาอลัยวิตกกังวลห่วงใยกันด้วยประการต่างๆอย่างที่โลกนิก็ว่าไว้เนี่ยมีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอัพปุบาทาครอนวงไว้ปัญญาเยื่งบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารนั้นก็แสดงว่าพวกนี้ที่จริงมันเป็นความรู้สึกทีนั้นแน่นอนเป็นรูปธรรมแต่ว่าที่ที่ยุ่งภายในใจเราเนี่ยเป็นความรู้สึกหรือความคิดเราเอง แล้วก็จะทําให้มืดบอดในเชิงเหตุผลขึ้นไปโดยลําดับเพรา ะ, ะั้นสิ่งเหล่านี้ยท่านจึงเรียกในกรณีนี้ท่านเรียกโอคนะในกรณีนี้ท่านเรียกโอค่าโอค่าก็คือดูดพ่วงน้ําบางครั้งพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาตรงเนี้ยจะเ อ, เอาตรงอื่นเอาพ่วงน้ํากันพ่วงน้ํามันจะสอนเยอะเลยนะเพราะว่าแม่น้ำในจูปุตวีปมันเยอะก็จะเห็นว่าบางชีห่วงน้ําเนี่ย เราตกลงไปในห้องน้ําเนี่ยคนบางคนตกแล้วก็จมหายไปเลยอันนี้ก็เลิกพูดกันนะคนบางคนก็ตกลงไปแล้วแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้นะโผล่ก็ไมาได้นะเอาก็ตกลงไปอีกแล้วก็จมลงไปอีกแล้วคนบางคนนี่โผล่มาพ้นน้าประคองตัวได้นะฮะแต่อย่ามีอันตรายแรงๆจมได้เหมือนกันนะคนบางคนก็ใกล้ฝั่งเข้ามาคนบางคนก็ขึ้นฝั่งได้เพราะโดยใจนู้นคนสามสี่คนเนี่ย มันเป็นคนส่วนใหญ่ในโลกของเราเราไม่ต้องรู้เอกไกลเอาขนาดพวกอบายยมุกเอาขนาดอบายยมุกนะฮะไปที่จริงมันเป็นพวกกามโมคะอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เดียวิชโชคะอยู่ด้วยนะเกจะเห็นว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยจะตกลงไปสู่หลุมบ่อของพวกเหานี้อย่างใดอย่างหนึ่งนี่เยอะนะครับบางคนก็จมหายไปเลยขุดขุดขึ้นมาไม่ได้บางคนก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็ ตกลงไปอีกบางคนประคองตัวไว้ได้แต่ว่าพอเจอปัญหายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเช่นว่าคนเลิกบุหรีเนี่ยคนเลิกบุหรีรเรเห็นว่าบางครั้งนี่นานนะฮะที่แกจะเลิกได้จริงๆเนี่ยมันจะเหมือนกับคนตกลบลงลงไปในกระแสน้ำดังกล่าวแล้วก็ถอนตนขึ้นมาจากกระแสน้ำตัวนั้นไม่ได้เพราโอคะกามโอคะโอคะคือคือกามเนี่ยแต่แก มันก็มีสองต่อนะครัมาความเรามีกิเลสอยู่ภายในใจตลองสังเกตเราเห็นสิ่งอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีกิเลสในสิ่งนั้นอยู่เราจะไม่รู้สึกอะไรสิ่งนั้นอาจจะหอมอาจจะอร่อยสำหรับคนคนหนึ่งแต่ว่าเราไม่มีกิเลสคือความอยากกินสิ่งเหล่านั้นอยู่ภายในใจเดยเราไม่เคยกิน่เราจะไม่อยากกิน มาเคไปที่ต่างจังหวัดคราวหนึ่งตกใจเลยฮนะใจเสียเลยลาบเลือดเนี่ยเลือดแดงโชคเลยมาวางอยู่ข้างหน้าพอดีเจ้ากันหน้าจังหวัดเขาเห็นข้าวเขาก็รีบไปออกไปแล้วบอกโอ้ตกใจอะไรอะไรกั น, นเสร็จแล้วก็ไปสอบถามเขาเป็นลาบคนที่นี่เขานิยมกินกันคือนั้นเราไม่ใช่นึกอยากกินนะฮะคือมันมันมันสยดสยองเลย ก็ แ, แสดงว่าเราไม่มีพื้นความเชื่อในเรื่องเหล่านี้เราไม่เคยลิ้มเราไม่เคยชิมสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราลิ้มเราชิมก็ไม่แน่เหมือนกันมันก็เกิดความอยากขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเพียรในลักษณะนี้จึงเป็นความเพียรได้ต่อสู้อย่างแรงเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราจะเจอเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆแล้วมันก็ตุ้นได้นะฮะมันก็ตุนนะนต้นได้ถ้าใจิตใจเราอ่อนแอเนี่ยก็กระตุ้นได้ตลอด ถ้าเรียกว่ากาลมกฮะวงน้ําคือกามมันก็มีทั้งสองอย่างคือมีตัวนอกกับมีเชื้ออยู่ข้างในเขาเรียกว่ากาลมาธาตุลึกๆเนี่ยเขาเรียกว่ากาลมาธาตุมันก็คล้ายๆกับอารมณ์ที่มากระทบทำประสาทสัมผัสถ้าเราจะเที่ยวไปชัดแล้วมันเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่เนี่ยคือจะชัดมากแมลงวันยอดไข่เราจะเห็นว่าถ้าแก่ยอดบนปลาบนเนื้อเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นไข่ขางแล้วก็พร้อมที่จะเป็นนอน แต่ถ้าไปหยอดอยู่ในกระจกหยอดในชิ้นอ่อนหยอดในระยอดไปเถอะจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉั้นเราจะสังเกตได้หลักความจริงตรงนี้ว่าพระเดเจ้าทั้งหลายที่จริงท่านก็เห็นรูปวางเสียงดุ่ิดิลิบรถถูกต้องจิตนอนนอนแก็เหมือนกับเราเหมือนกันนะฮะแต่ว่าภายในท่านไม่มีเชื้อกิเลสเมื่อไม่มีเชื้อกิเลสสิ่งเหล่านั้นมันก็สักแต่ว่ารูปขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัตินะตอนนี้สักแต่วรูปโดยอัตโนมัติเพราะเราฝึกจนอัตโนมัติ อย่างน้อยก็ตัดกระแสะอารมณ์ให้ลดน้อยลงไปบ้างแล้วก็โอคะคือพบที่มันพัดหมุนไปสู่ความเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้อนอะไรแต่ไรเนี่ยไต้องการจะเป็นอย่างนั้นแต่นี้แล้วก็พอใจสยบติดกําหนัตกหนัดเพลิดเพลินในความเป็นมันก็ทําให้นึกย้อนกลับไปถึงอธิธาต์ของอธิของอาจารย์ที่ว่าเนี่ยฮ ก็เป็นยังไงมันก็เหลือแต่นั้นนะวันนท้านะมันน่าจะถึงข่าวรงปกอนะ่ว่าเราจะเอาอะไรกันนักหนาคือความตายมันก็รอยอยู่ข้างหน้าแต่แม้เดือนนี้ที่จริงเราค่อนข้างห่วงว่าฟังข่าวการทําศพพระเทระแต่ละแห่งเนี่ยดีเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหายเยอะนะจายกันเป็นล้านๆ น, นะนะเพราะอะไรเพราะต้องมีหนังสือต้องมีมันเป็นแฟชั่นน่ะ มันเป็นชั่นเป็นค่าทิยมแล้วก็ลงทุนกันไปเยอะเลยซึ่งก็ถ้ามองถึงผลประโยชน์เนี่ยผลประโยชน์มันก็เยอะนะฮะเพราะว่ามันแปลสภาพเป็นหนังสือเป็นเอกสารถ้าหากว่าคนก็สนใจจริงๆก็ได้ประโยชน์มากเหมือนกันทีนี้ประการต่อไปเนี่ยคือทิโตคาโอคาคือทิทิเป็นความเห็นผิด ในลักษณะที่ปักใจฝังใจดิ่งลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งก็ทําให้มีปัญหามากแต่ความเห็นในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่เล่าว่าคือเจอพระแล้วก็ท่านก็เห็นว่าตมามีรายการวิทยุโทรทัศน์อยู่ท่านก็ตื่นเลช่วยหน่อยอก็วก่ช่วยอยู่เยอะแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่อหวเพราะคนเหล่านี้มันพูดกับเขายาก เขาเป็นเขาคอยอย่างนั้นเองแล้วว่าที่จริงก็เจตนาดีเจตนาร้ายต่อศาสนานี่เราก็ไม่รู้แต่ถ้าคนเจตนาดีต่อพระศาสนารู้จักประมาณตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธสัพพัญญตญาณของพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องเหล่านี้เรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเรื่องนรกสวรรค์เรื่องภพเรื่องภูมิเรื่องวิญญาณติฏิเรื่องอะไรอะไรพระพุทธเจ้าประรบเองเนะ เกิดด้วยอัตตชาสยาคืออัตยาใสาของพระองค์เองมีพระประสงค์จะแสดงเองไม่ได้มีใครไปสอบถามพระองค์ในเรื่องตัวนี้แล้วก็แสดงเองแล้วก็แสดงแกคนระดับที่เรียกว่าถ้าพูดถึงนรกสวรรค์นในรายละเอียดยจะพูดกับพระอระหันต์ด้วยกันถึงท่านก็รู้เห็นกันมาพูดถึงกรรมที่เป็นเหตุให้ตกในรกเหล่า น, นั้นท่านนั่นเองแต่นี้ก็คือทิฏโขค่ะ โคะคือ ท, ทิิมันก็เห็นปฏิเสธก็มีเห็นว่าเที่ยงก็มีก็ยุ่งยุ่งกันอยู่ยแล้วก็สรุปแล้วบ้างมาจากอวิชโชคะโอคะคื อ, อวิ ช, ชาท่านจึงใช้คำว่าอุตโสระโหคือมีความเพียรที่จะยกตนขึ้นมาจากหลกไม่ได้ทั้งฝั่งทายงแต่ลงระพุทธญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเปงนตอนนี้